ีพราการตั้งใจภาวนาเนะ่ยรมเป็นใจของโลกมันก็เริ่มกลิ่นไปกิ่นไปมุนไป ม, นไปมุนไปโลกมุนไปตลาดเอาห่อแก่เอาห้อไปนั่งอายุก็หลขึ้นร่างกายก็ทุกโทรมลงไปเรื่อยๆอันนี้เราโค่อยเจ็บโบ้ค่อยป่วยกับป่วยกัไข้อป็นกันเนะี ข้าวับเป็นไหนบฟูบมันเข่าลายๆแล้วเป็นโตโตเตะๆอะไจำค่อยหูงจักว่าโอ้ข้าเ่าแล้วมเจ็บไขได้ปวยต้มควยนั่นปวยนี่เล็กๆน่อยกับเซือขึ้นมาเนี่ยจะตาคตรลายให้บัด้มเจ็บต้มปวยโลกยั่ไงฮัลลังพ้นจะมีโลกยังไงโลกคอยจาตัว เขาเกิดมามันเปิดมาแล้วมันแต่ทียังได้มันไปแหลกให้เปลี่ยนก็บ่ได้ล่ะอันได้กี่อะไรข้างได้ไายอันนี้แล้วมากเ ข, า, ข า, า, าก็ดหามากจนสีแล้วโอ้ยบย่อยากได้เด้มันบ่สมบูรณ์อันนี้ันจะไปเปลี่ยนขอเปลี่ยนอันไหนเนี่ย่ได้อันจังลดจังล่ า, าเขาไปยั่งขอเปลี่ยนไหม่เด้ไปขอเปลี่ยนสีนี่ใครบมาะครเอาสีใหม่ใครเอารุ่นใหม่สิแต่ข้อใดเนี่ย อันร่างกายมันก็ได้ข้าวได้มเแล้วเนี่ยข้าใส่มันเป็นประโยชน์ใส่ย่างดีที่สุดี่ 4-5 ปีได้นะใส่ไปสะสมแท้มรักษาไปมันขัดมันถูมันไปนําั่นเองนะรักษารักษาเครื่องยนรักษาโตัวถังมันอย ง, น, องนี้วิธีการแต่ว่าสําคัญที่สุดเนี่ยท้าวได้ลดเมล็ด ว, วันนี้เอาะมารักษาบ่เ อ, อามาขัดมาถูดีสิได้ ตออกมาขี่ไปขีไปให้มันได้ประโยชน์ขี่ไปว่างที่เท่าขี่อยากไปนะบมเมนว่ารถกระล่างดีแล้วเซฟทู้ดีแล้วตรวจสอบเนื้อมัน่นคงนื้อมันเครื่องดีแล้วเครื่องยนต์ดีมดั่สยังดีมั่ไปเลดีแล้วนอนเฉยอยู่กันไดรถมาแล้วเขาเกิดต้ี้ไปมองได้เทาอยากไปไประเทศอยากประเทศ น, นั่งยัง ไปคุณประโยชน์ยังอย่างกันเอ้ะร่างกายห่ออยู่ที่ไหนน่หละร่างกายห่อใดมาแล้วเนี่ยเข่าไปหาให้มันกินแล้วยาก็เอามาให้มันกินแล้วมะพร้าวมันแล้วอาหารเสิมก็เอามาให้มันกินแล้วมันอยากนอนไปให้มันนอนแล้วเอาไปเห็นยังไงร่างกายทันที่ยื้อซ้ำนั่นที่ชื่อกอับพ่อปามคือรถมาหรือเมื่อ เส็จมาถูมั น, มนลแล้วแบบนั่งยืดๆอนอ่งยืดๆเนี่ยเ้าต้องเอาร่างกายนี้ไปให้ประโยชน์ประโยชน์ของร่างกายนี้ น, นี่ยังไงเอาไปทำบุญทำบุญท่านท่านวางไรมันเป็นบุญเป็นท่านไปาไปทำบุญนียังไงครับไปรักษาศีลเอาไปสั้งเทศตั้งท่ า, ทาจเจริญภาวนาไปยังไงสาระมันจะเป็นบุญ มันถืดีมันถือได้ประโยชน์แล้วจันร่างกายเท่านี้เมื่อไรเนี่ไปหอดบางหนึ่งมันเตือยมันเผ่าลงมามันเกาโหดมันเกาโหดมันฟูมันโยกมันตายดิร่างกายคือกันกัดหลดอยู่ไปโดนเอาดนเขามันมันโซกมันตกลื่นไม่รีชุดกับข้างไปรถจะเป็นรถตายจังหวะมืดประโยชน์ร่างกายเท่ากับิเป็นแล้วจันคือกัน หายี่เจงนหน้าดีดีได้รลังกายห้องคัวเข้ารักษาแหวนก็บมเมนต์ามันจะอยู่ในห้องได้ตลอดร่างกายเข้ารักษาคือว่ารักษาดีแล้วต้องหายหายเด็ดขาดอยู่ดีสบายหนยโมเมนั์สั้นเดะโมเมนั์สันทุกอย่างการั่างแงรักษาตันงแตคือเศร้านี่ยแหละแต่ความจินแบบมันบ่เศร้าหอกคนเจ็บคมป่วยถึงบ่เศร้านั่นก็ไปหาเรื่อย โลกมีรักษาหานังเคือกกะว่าเออไข้แล้วทุเล่าแล้วหายแล้วก็วจะมันมีอยู่อีกโลกหนึ่งอยู่อีกหลายโลกอยู่น้ำฝนมาหันโรคเข่านังเทือไปรักษาผ่วหายดีกะเอาไว้สักวันพอทุเล่าก็จะหมอว่าอาจารย์ไหลไปในสีสุดแล้วห่านก็ห่านในสีสุดคือนรถนี่แหละอยู่ไปโดนๆในสีสุดรักษาผัวได้อมผัได้ครับ ออย่าไปหลงอย่าไปมั่วส่อมแจะหลดจะล่าจะไปมั่วหลักษาเจลังเจรังเจริ่เท่านั้นเด็กให้คิดว่าในติจิตมันต้องสายแน่ๆต้องมดสะานแน่ๆแล้ว ห, หาวิธีอืน่นหาวิธีดูแลคิดใจเจ้าของให้มันพุงมันเฮืองขึ้นให้มันเข็นมันแข็งขึ้นก็สิได้ที่เพิงอันนี้รถนี่เป็นเครื่องใส่ร่างกายเขาก็เป็นเครื่องใส่หมือกัน เคยคิดเอาอย่างนั้นกันที่ได้บวบว่าไผล่ะบวบวายาโยมเคยเจ้าเคยสงฆ์เคยคือขันธ์ข น, นาดขันบวบคิดเอาอันนี้ไม่ได้ประโยชน์เล้มีคุบาอาจารย์คนบอกไว้ว่าการภาวนาการ น, นั่งสมาธิภาวนาทำสมาธิภาวนาฝุกสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นของขวัญของชีวิตที่ดีที่สุด ทิ่คนดีสามารถสี่เอาได้ขันผู้ไรนี้ข่วมอยากภาวนาหููยักษ์ราสิภาวนาหูยักสินางสมาธิภาวนาปึก ส, สมาธิภาวนาแหละนั่นแหละทุนั้นได้ของขวนชีวิตข น, นอกจากเห็นแล้วบายย่าได้ยังน้าสิบอกไหงนะทรงเสื่องจีนเครื่องตะเครื่องคมเครื่องหอมเครื่องประดับอดจฉริยะใสวใส่แหวน ราคาหลายๆเป็นแหวนเพชรแหวนเพชรเนี่ยแต่หอดบางนึง่งกับเขาบ่กหายไ้ดอกขึ้นมาเนั้นแต่ทางตายเข้านี่ยเป็นอย่งกินเข่ามาเองแต่แท้เนี่ยบาที่เอาไว้ดนๆเนี่ยดนเมื่อได้จังน้อยมันตา้ตายให้คิดว่าเพราะได้อย่างเนี่ยได้ดีที่สุดนะจำแนนนี่แหละปึก ส, สมาริขาึาวน่าให้มีใจคิดอยากเพชรท่าทนผูใ้ใดคิดอยากเพชรแล้วก็บููจักวิธีสิเฮ็ด ผู้ดผู้แจ็คที่ที่เฮ็ดสมาธิภาวนาผู้จ็กที่ที่สมาธิภาหนาผู้นันเราได้ของขวัญชีวิตทีประเ ส, ทสดทีฟุดฮันบมแมนอันนี้เลยเม่ะบ่อได้ยังละน ะ, นะักอันที่เจริญหน้ามึงเขามันมีโอกาสที่เฮ็ดอายุอันที่บอกมานี่ภาวนากับทเฮ็ดอายุทับุญสาาร้งทานก็ผู้จ็คแยกท่านอยู่ก็เฮ็ดทางได้รักษาศีลก็เฮ็ดได้รักษาศีลใสิมาวายอีกอย่าง ในอากาศมนี้ิเภกถ้ำอะไรอย่าเียฝเหตุฝ่าถ้ เ, าเอาโดยเฉพาะพวนาโดยเฉพาะพวนาเนี่ยไอ้ิตสมาธิอาชมาภภาวนานั่นหละเนเนี้ยมันคืได้ไปเป็นของขวัญของชีวิตนะเขาเกิดกึ้นที่ชีวิตเขาไม่ได้อันนี้นะเป็นของเกิดเกิดที่สุดแม่อื่นบยย่ได้อะเดี๋ยน้าเอา